ฟังว่าเธอรู้สึกเหนื่อยล้ามากเพราะว่าพยายามทำตัวให้ถูกต้องพยายามทำตัวให้ถูกใจผู้คนที่เกี่ยวข้องอยากจะให้คนอื่นเขาพอใจหรือว่าโปรดปรานแต่พอทำไปทำไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่า ยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าทําให้คนอื่นถูกอกถูกใจก็จริงแต่ว่ากลับเมินเฉยเอความต้องการของตัวเองผู้ง่ายคือว่าทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขแต่ตัวเองนี่กลับทุกข์แ้วกเลยเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เลยถามขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมฉันจึงพยายามอยากให้คนอื่น รักฉันหรือว่าชอบฉันทำไมถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าจะระบาก็เลยตอบไปว่าลึกๆเนี่ยเราก็กลัวคนอื่นเกลียดนะกลัวคนอื่นเนี่ยไม่ชอบกลัวใครต่อใครไม่พอใจในตัวเรา ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าลึกๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไม่ได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามีความสำคัญก็เลยอยากจะให้คนอื่นมาช่วยยืนยัน ว, ว่าถ้าเธอเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่า คนเราเนี่ยถ้าว่าเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองมั่นใจในความดีหรือคุณค่าของตัวเองเนี่ยก็ไม่เรียกร้องไม่ปรารถนาให้ใครมาช่วยยืนยันว่ามีคุณค่าว่ามีความสําคัญแต่พอไม่เห็นตัวตรงนี้ไม่เห็นว่าตัวเองมีตรงนี้ เลยต้องการให้คนอื่นมาช่วยยืนยันคํายันว่าเธอเป็นคนสําคัญเธอเป็นคนมีคุณค่าและวิธีที่จะทําให้คนหนึ่งเขายืนยันว่าเธอมีคุณค่ า, าเธอมีความสําคัญก็คือว่าทําให้เขารักทําให้เขาพอใจซึ่งถ้าว่ามีแค่คน2คนก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่าพอปรารถนาการยืนยันคำยันของผู้คนทั้งหลายโดยเพราะาเพื่อนฝูงมิสหายมันก็ต้อง เ, เกิดความเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเพราะว่าผู้คนต่างๆนันก็มีความชอบมีความพอใจ ไม่เหมือนการมีนิสัยใจคอแตกต่างกันมีรสนิยมแตกต่างกันยังไม่ยอมพูดถึงความคิดความเห็นนั้นถ้าหากว่าต้องการทำให้คนอื่นเขาโปรดปรานทำให้เ้าพอใจในตัวเราด้วยการทำให้ถูกใจเขามันก็เป็นเรื่องยากมาก นอกจากจะต้องเหนื่อยที่จะทำให้คนอื่นถูกใจแล้วพอพบว่าบางคนเขาบางอย่างเราทำแล้วไม่ถูกใจเขาอาจจะถูกใจคนอื่นแต่ไม่ถูกใจคนนี้นมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเนี่ย ก็จต้องคอยแสวงหาการยอมรับจากผู้คนมากมายและวิธีที่ทําให้คุณยยอมรับคือทําให้เขาพอใจทําให้เขาถูกใจหรือทําตัวให้เป็นที่น่ารักเป็นที่รักในสายตาของเขาซึ่งบ่อยครั้ง ก, ก็ลืมความต้องการงตัวเองไป เช่นเวลาไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ๆ, ๆก็ไม่เคยบอกความต้องการตัวเองเลยนะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนตรงไหนที่ดีเพื่อนถามก็บอกว่าแล้วแต่เพื่อนไปกินอะไรกับเพื่อนๆก็ไม่เคยบอกว่าตัวนี่อยากกินอะไรเพื่อนถามก็บอกว่าแล้วแต่เพื่อนแล้วสุดท้ายก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่ตัวเองก็ไม่ชอบ หรือว่ากินของที่ไม่ได้ถูกใจตัวเองหรือถูกปากตัวเองเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ปรารถนาการยืนยันคำยันจากผู้อื่นว่าตัวเองมีคุณค่าและสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่ต้องเกิดความรู้สึกแคสายตาของคนอื่นว่าเขาจะมองเราอย่างไร จะไวมากเลยนะต่อความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนอื่นทำอะไรแล้วคนนี้ก็ไม่พอใจก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกลังเลใจเพราะว่าปรารถนาจะให้คนนี้เขาโปรดปรานซึ่งอีกความหมายนี่คือกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาเกลียดทั้งที่การที่เรา เป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะกินอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาปังเกียจเดียดชันอะไรเราเลยนะแต่เป็นเพราะต้องการตามใจผู้คนไปทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆและตามใจทุกคนด้วยมันก็เลยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเพราะตามใจ อย่างเดียวแต่เหนื่อยเพราะว่าลืมความปรารถนาของตัวเองตามใจคนอื่นแต่ว่าไม่เคยตามใจตัวเองแม้ในเรื่องเล็กน้อยก็เลยทุกขนะ์ร่างเงาของความทุกข์ที่ว่านี่นะก็คือการที่ตัวเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะอะไรนะก็เพราะว่าชอบมองแต่เห็นข้อผิดพลาดมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเองมองแต่เห็นแต่ข้อตําหนิของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะหรือว่าเรื่องที่ดูเหมือนสลักสําคัญในคนคนประเภทเนี่ยที่จริงก็มีคุณงามความดีไม่ใช่น้อยนะ แล้วก็มีความสามารถมีจุดแข็งมากมายแต่มองไม่เห็นเห็นแต่จุดอ่อนเห็นแต่ข้อตาหนิเห็นแต่ข้อผิดพลาดก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่ค่อยมีคุณค่าแต่ว่าปุตุชนนั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งนะที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าอัตตาพอมีอัตตาเนี่ยหรือความรู้สึกตัวกูเนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับทุกคนเนี่ย มันก็ทนไม่ได้นะที่จะรู้สึกว่าตัวกูไม่มีคุณค่านั่นถึงต้องพยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวกูนี่มีคุณค่าขึ้นมามีความสำคัญขึ้นมาวิธีการหนึ่งก็คือการทำให้ใครต่อใครมาชื่นชมยินดีนในตัวฉันนะเห็นคุณค่าของตัวฉันก็เลย มีอาการที่เรียกว่าแคร์สายตาของคนอื่นอยากจะทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขาโปรดปรานให้เขายินดีให้เขาชื่นชมให้เขารักเพราะคิดว่าด้วยวิธีการอย่างนี้เท่านั้นนะที่มันจะไปเติมเต็มความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญทําให้อีโก้หรืออัตตามได้รับการตอบสนองว่าฉันมีคุณค่า แต่ก็อย่างที่พูดนะไอการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้สุดท้ายตัวเองก็เหนื่อยล้าเพราะได้แต่ตามใจคนอื่นไปทุกเรื่องแต่ว่าลืมสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเองฉนั่นถ้าเกิดว่าตราบใดที่ยังมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเห็นแต่ข้อตาหนิเนี่ยมันก็คงจะาหาความสุขได้ยาก ถามว่าจะทํำยังไงนะถึงจะไม่กลัวคนเกลียดนะทํางไงถึงจะไม่แสวงหาความชื่นชมสรรเสริญของผู้คนหรือทอําังไงถึงจะไม่แคร์สายตาคนอื่นมากท่าทางก็คือว่าต้องรู้จักนะมองตัวเองในทางบวกบ้างนะเห็นตัวเองในทางบวกบ้างหลายคนก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ําใจนะแต่ว่า ไม่เห็นความดีของตัวเลยเพราะว่าชอบมองลบนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มไี่จกมองบวกนะว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะมีสิ่งดีๆอย่างไรมันก็จะทำให้เกิดความาภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาเกิดความรู้สึกมั่นใจนะในคุณค่าของตัวเองหรือมั่นใจภูมิใจในตัวเองซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้ว นะอัตราตัวตนเนี่ยมันก็ปรารถนาสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ต้องไปให้ใครมามายืนยันนะเราสามารถที่จะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้โดยเพราะถากว่าเป็นคนที่ทำความดีนะมีน้ำ อ, อกน้ำใจอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรนอกไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนอกจากว่าการที่มาเห็นนะความดีของตัวเอง เริ่มรู้จักมองบวกบ้างี่พอเห็นคุณค่าเห็นความอย่างตัวมีความมั่นใจแล้วเนี่ยไอการที่จะไปรอคอยคาดหวังคำยืนยันจากคนอื่นมันก็น้อยลงบางคนเนี่ยคนรำก็มีวิธีการในวิธีการที่จะแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้าง หลายวิธีด้วยกันนอกจากการทำให้คนอนื่นถูกใจหรือการทำตัวให้เป็นที่พอใจของผู้คนแล้ววิธีหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้คือว่าการสร้างภาพอาจจะสร้างภาพด้วยการใช้ของหรือสินค้าแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้สินค้าแบรนด์เนมเป็นที่ปรารถนาผู้คนมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภาพตัว ต, วตน ให้ดูดีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากขอให้มีเงินกันแล้วกันซื้อใช้ของราคาแพงหลายแสนหรือบางทีเป็นลา้านไม่จะเป็นกระเป๋าสัพายไม่จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่านาฬิกาอะไรก็ตามที่มันแสดงปรากฏต่อคนภายนอกที่ทำให้คนอื่นเขามองแล้วเออเราดูดีเนี่ย อันนี้เป็นวิธีการที่เติมเต็มในความรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าขึ้นมาแต่สักคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเชื่อมันในความดีของตัวหรือว่าเห็นว่าตัวเองมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความเรียกเขาจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะไปสร้างภาพด้วยวิธีนี้เลยนะเพราะว่าพอมีอะไรเป็นแกนสารอยู่ภายในแล้วมันไม่เป็นไม่เป็นต้องไปสร้างภาพด้วย สินค้าแบรนด์เนมหรือว่าด้วยรูปร่างหน้าตารูปลักษ์หรือว่าด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ฉาบฉวยเช่นรถเบนนะหรือว่ายศสักด์อักขระ ฐ, ฐานไอ้พวกนี้มันเป็นเปลือกนะซึ่งมันจะมีความหมายก็เฉพาะส่อคนที่ข้างในในกลวงนะ ไม่มีคุณค่าหรือไม่้สืบเห็นคุณค่างตัวเองแต่ถ้าข้างในเนี่ยนะเรียกว่ามีความมั่นอกมั่นใจนะในความดีในความสามารถแล้วเนี่ย ม, มันก็ไม่ต้องการนะสิ่งภายนอกที่จะมาสร้างภาพตัวตนให้ดูดีแต่บางคนก็ใช้วิธีอื่นนะก็อย่างที่โยมคนนี้แกก็ทำก็คือการ ทำอะไรให้ถูกใจผู้คนรอบข้างไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานสุดท้ายก็เป็นทุกทุกเพราะทำยังไงมันก็ไม่สามารถจะถูกใจคนได้หมดมันก็ต้องมีบ้างนะที่ไม่พอใจเราหรือว่าไม่ได้โปรดปานเราได้ที่สำคัญอย่างนี้นคือว่าละเลยความต้องการตัวเองไปนะบริการทุกคน แต่ว่าลืมที่จะดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองให้ถ้กิว่าหันมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะอาจจะก็เริ่มมองตัวเองในทางบวกบ้างรวมทั้งฟังเสียงภายในของตัวเองบางทีเสียงภายในของมันมีเสียงภายในออกมานะดังมาว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างอยากจะมีชีวิตของตัวเองบ้าง ไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นหรือว่าใช้ชีวิตนะสุดแท้แต่คนอื่นจะบงการอย่างไรก็ได้แล่คนที่เอาแต่ตามใจคนอื่นเนี่ยมันจะมีเสียงเรียกร้องภายในว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างฉันอยากจะมีชีวิตของตัวเองบ้างถ้าเกิดฟังเสียงเรียร้อแบบนี้เนี่ยมันก็จะทาให เกิดได้คิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักที่จะทำตามาความปรารถนาสว่วนลึกของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยคนที่มีปัญหาแบบนี้ก็มักเป็นเพราะว่าถูกพ่อแม่บนะงการชีวิตมากเกินไปพ่อแม่กำหนดว่าจะเรียนที่ไหนมีอาชีพอะไรมีใครเป็นคู่ครอง ทั้ที่ตัวเองนี่ก็ไม่อยากเรียนหมอแต่ว่าพ่อแม่ก็ขีดเส้นชีวิตให้แล้วอยากให้พ่อแม่รักอยากให้พ่อแม่ปลดปล่อเป็นที่รักของพ่อแม่แก็ทำตามสุดท้ายก็เรียนก็เรียนได้นะแต่ว่ามันทุกข์ทรมานมากเพราะไม่ใช่วิชาที่ตัวเองชอบจะมีจะเลือกเรียนแบบที่ตัวต้องการก็กลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวพ่อแม่ผิดหวัง แล้วสุดท้ายก็มีอาชีพสุดท้ายก็มีชีวิตที่ไม่เคยให้ความสุขความพึงพอใจแก่ตัวเองแท้จริงแม้เป็นหมอก็เป็นหม อ, อด้วยความเครียดแม้จะเป็นที่นับหน้าถือตาองผู้คนสมปรารถนาของพ่อแม่แต่ว่าลึกๆเจ้า ต, ตัวก็ไม่มีความสุขแต่บางคนก็ยังสามารถที่จะไหวตัวทันนะบางคนนี่เรียนหมอนะ ก็เรียนได้ดีแต่ใจจริงไม่ชอบหมอหรอกแต่ว่าเรียนเพราะตามใจพ่อแม่แต่พอเรียนจบแล้วนี่ก็เป็นหมอใช้ทุนได้จนหมดภาระแล้วก็หันไปเป็นช่างกล้องเป็นช่างกล้องอาชีพบอกว่าที่เป็นหมอนี่เพื่อตามใจพ่อแม่ตอนนี้จะขอตามใจตัวเองแล้วคืออยากจะเป็นช่างกล้องอิสระช่างกล้องอาชีพ แล้วก็มีความสุขนะทั้งที่เงินทองก็ไม่ได้มากอะไรแต่ว่าพอทําไปทําไปก็มีชื่อเสียงตามมาเองเพราะว่าทําด้วยใจรักอันนี้คืเป็นเรื่องคนที่แม้ว่าทีแรกนี่จะใช้ชีวิตตามแบบของพ่อของแม่นะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตของตัวเองแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบของพ่อแม่แต่ว่าใช้ชีวิตนะตามแบบของเพื่อนๆสุดท้ายแต่ ใครเขาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้จักฟังเสียงตัวเองนะแล้วเราก็จะกล้าที่จะบอกได้ว่าเราต้องการอะไรยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเพราะว่ารู้จักมองบวกเนี่ยให้การที่จะเลือกตัดสินใช้ชีวิตตัดสินใจใช้ชีวิตในแบบของตัวเองก็มันก็เป็นไปได้แล้วคนเราเนี่ยไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ย แม้วันอาจจะไม่ใช่เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมเรียนเก่งได้เกรดสีได้เหรียญทองแต่ว่าไปทำเกษตรนะไปปลูกผักอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนต่ำต้อยนะแต่ว่าทำแล้วมีความสุขและในที่สุดเนี่ยถ้าทำจริงมันก็ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าคนที่กล้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเา คนที่ทำแบบนี้แล้วก็ต้องกล้านะกล้าที่จะทวนกระแสสังคมแล้วก็กล้าที่จะทวนกระแสความต้องการหรือความคาดหวังของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงมิตรสหายกนยีนี้จะต้องเห็นคุณค่าตัวเองจริงรอดเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้ายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยคอยลู่ตามลมนะไขแครสายตาของผู้คน ตั้งแต่พ่อแม่จนถึงเพื่อนฝูงมิสหายเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องเห็นคุณค่างตัวเองซะก่อนเกิดความภูมิใจในตัวเองซะก่อนนะแล้วการที่จะเลือกใช้ช่วองตัวเองก็จะเป็นไปได้ในที่สำคัญอย่างนี้นะคือต้องตระหนักถึงความจริงนะว่าในโลกนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ทุกคนเนี่ยจะชอบเราหมดจะโปรดปรานเราทุกคน ถ้าใครที่ปรารถนาจะให้ทุกคนรักเราอันนั้นเรียกว่าไม่เข้าใจความจริงของโลกนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้มันต้องมีบางคนที่ไม่เข้าใจเรามันมีบางคนที่ไม่ได้ชอบเรานะ่าอาจจะชังเราด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีทุกคนรักเราหมดนนนคนที่ปรารถนาที่จะทตัวให้เป็นที่รักของทุกคน หรือคนทั้งโลกเนี่ยจะไม่มีทางสมหวังและจะไม่มีทางมีความสุขเลยแต่ถ้ายอมรับเสือตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยมันย่อมมีคนบางคนนะที่ไม่เข้าใจเราไม่ว่าเราจะทำถูกทำดีแค่ไหนก็มีบางคนทีอ่อาจจะถึงขั้นเกลียดเราด้วยซ้ำที่จริงอย่าว่าตายเลยเลยนะบุรุษที่ประเสริฐสุดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ยังมีศัตรูมากมายยังมีคนที่ไม่ใช่แค่ดินทาว่าร้ายแต่ถึงกับใส่ร้ายแล้วก็มุ่งร้ายเอาชีวิตเลยทีเดียวอันนี้การอยู่ในโลกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องมีทั้งคนชอบและคนชังคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือพื้นหนังเนี่ยมันนิดเดียวนะแต่พื้นเสือนี่มันใหญ่ อันนี้ก็หมายความว่าเนี่ยมันธรรมดามากนะที่จะมีคนรักเราไม่มากนะแต่จะมีคนชังเราซี้เยอะหรือจะหมายความว่าเนี่ยเวลาเขารักเราก็รักนิดเดียวแต่เวลาเขาชังนี่เขาชังมากที่เป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจสายธรรมงานจริงแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะรู้รู้เลยว่าเนี่ยมันป่วยการนะที่จะทําให้ทุกคนนี่รักเราหมดเราจะเริ่มยอมรับความจริงได้ว่า ไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนทําตัวถูกต้องอย่างไรมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเราคนที่ชังเราซึ่งในแง่นึงก็ถ้าเรารู้จักทําใจแบบนี้ได้ก็จะมีความสุขนะที่จริงการฝึกใจนะการฝึกตนนะอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการฝึกให้มีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวอะไรในอะไไม่หวั่นไหวในโลกกตธรรมอย่างที่พึ่งสวมมาสักครู่เนี่ย จิตของผู้ใดอารมณรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวแะไม่เศร้าโศกไรทุริกิเลสหมายควายังไงนัหมายความว่าอารมณ์รรมนี้หมายความว่านินทาก็ดีสารเสริญก็ดีแม้จะมีคนนินทาหรือแม้จะมีคนไม่ชอบจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะแต่บุตุชนมันก็ต้องมีความหวั่นไหวนะเพราะยังมีอัตตาตัวตน พอมีอัตราตัวตนแล้วปล่อยให้อัตราตัวตนมาครองใจเนี่ยมันก็จะเป็นทางของอัตราอัตต า, า, ตามาต้องการนั่ะอาตาัตราต้องการคนช ม, มต้องการความความชื่นชมสารเสรวน ต, ต้องการคนชมว่าเราเก่งเราดีแต่ว่าหากว่าลองเจอกับคำดินทาว่ารายบัง ถ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวกูเนี่ยมันก็จะหวั่นไหวนะแต่ถ้าเราลองมองว่าไอ้สิ่งที่มาเป็นเครื่องฝึกเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาของตัวเองเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเพียงใดเราก็ดูจากเวลามีคํานินทาว่าร้ายมากระทบหรือว่าเวลา มีสายตาของใครบางคนที่ไม่ได้มองเราด้วยสายตาที่เป็นมิตรและจิตใจเราก็ยังมั่นคงเป็นปกติได้ให้การที่มีคนไม่ชอบเราเนี่ยหรือมีคนเขาดินทารอเนี่ยมันเป็นของดีนะมันเป็นเครื่องฝึกจิตของเราว่าเรายังมีความยึดติดในตัวตนไหมคนบางคนเนี่ยเขาทำอะไรโดยที่ไม่แคร์ สายตาผู้คนแต่จริงๆเนี่ยเขาแคนะแม้ว่าเขาบอกเขาไม่แคเนี่ยเขาทาอะไรตามใจตัวเองโดยที่ไม่แคร์สังคมแต่ถ้ามีใครมาว่าร้ายเขาก็าจะโกรธมากเลยหรือว่ามีใครแค่มามองหน้าเขาเขาก็จะโมโหเลยอันนี้ก็ยังเรียกว่าแคนะเพราะยังมีความหวันไหวอ่าถ้าไม่หวันไหวเนี่ยคือว่าแม้จะมีคนมอง ในทางลบมีคนว่าร้ายจิตใจก็เป็นปกติไม่ได้โกรธชังเขาเลยไม่ได้โกรธไม่ได้ชังเขาเลยเขาจะมองลบมองร้ายยังไงก็ไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้รู้สึกลบเป็นการตอบโต้นะซึ่งต่างจากคนที่บอกว่าฉันไม่แคร์โลกนะฉันไม่สนใจใครนะแต่ว่าพอมีคนพอได้ยินเสียงคนมาดินทาว่าร้ายโมโหเดือดดานนะ อันนั้นเรียกว่ายังแคร์อยู่นะเพราะว่าจิตใจยังหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวแท้จริงก็คือว่าไม่โกรธเขาเลยนะเขาจะเขาจะชังเราอย่างไรเขาจะเข้าใจเราผิดอย่างไงฉันก็ไม่โกรธเพราะว่าไอความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาหรือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยมันน้อยลงมากนะแล้วเราก็ฝึกได้นะฝึก ฝึกในเรื่องของการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนด้วยการที่ไปเจอกับบททดสอบเช่นเห็นคนที่เขาไม่ชอบเราทาั้งๆที่เราก็ทําความดีแต่เขาไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเขาด้วยต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่คนชังนะแต่ว่าเวลาทําดีก็ไม่สวงก็ไม่ได้สแสวงหาคําชื่นชมสรเรเสริญจากใคร ทำดีเพราะว่ามันเป็นความดีแต่แน่นอนนะการทำความดีบางครั้งเนี่ยหลายคนก็ต้องการคําชื่นชมสรรเสริญนะอันนี้เพราะว่ายังอยู่ในอำนาจของอัตตาที่มาต้องการการพนาัพนนอพันอแต่ถ้าเราต้องการฝึกอัตตานะไม่ยอมตกเป็นท่า อ, อัตตาก็ต้องลองฝึกว่าเนี่ยเราจะไม่แสวงหาควาชื่นชมสรรเสริญทำดีก็ไม่อวด ได้รางวัลก็ไม่ได้ประกาศนะอันนี้ใหม่ๆเนี่ยมีหลายคนจะรู้สึกโอ้มันอัดอั้นตันใจนะมีคนชมเราก็อยากจะประกาศให้โลกรู้ทําดีก็อยากประกาศให้โลกรู้อันนี้มันเป็นแรงผลักดันองอัตตา ห, หรือมานะที่ต้องการคําชื่นชม ส, ร, สรรเสริญการทําดีแล้วไม่มีคนชมก็เป็นทุกข์นะไม่พอใจ โพสต์ข้อความดีๆแล้วไม่มีคนกดไลค์ก็มีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกไม่สบายใจอันนั้นเป็นทุกข์ของอัตตาเนะี่ยซึ่งถาว่าเราแสวงหาคําถ้าว่าเราเป็นเท่าอัตตา เ, เราก็จะแสวงหาคําชื่นชมสรรเสริญนะอยู่ร่ําไปพระเจ้าได้ตัดนะตัดเตือนพระนันทิยะตัดสอนพระนันทิยะวันนี้ผลแห่งความดีย่อมเป็นพิแกะผู้ไม่พิจารณา แล้วหลงหลายเพลิดเพลินจนประมาทโมเมาพราห่นความดีคืออะไรนะก็คือราบสักการะทำความดีแล้วเนี่ยนะบางทีมันมีราบสักการะตามมาแต่ว่านั่นเป็นโทษนะถ้าไปยึดติดเพราะไม่พิจาราหรือไม่มีสติเนี่ยมันก็ทำให้เรานะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะพอติดในราบสักการะพอไม่ได้ต่อไปไม่ได้ราบไม่ได้สักการะไม่ได้คาชื่นชมสรรเสริญก็มีความทุกข์ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีปัญญาทําความดีแล้วไม่ได้สนใจลาบสักการะหรือถึงมีถึงเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดติดนะเพราะใจไม่ได้สวงหาตั้งแต่ต้นมันก็ยากที่จะตกเป็นทาตของโลกธรรมได้ัการที่เร า, าพยายามฝึกจิตให้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ว่าจะฝ่ายบวกฝ่ายลบเนี่ย น่าเป็นสิ่งสำคัญมากเยียที่มัช่วยทำให้เรามีจิตใจที่ปกติแล้วก็มีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายังหวั่นไหวในโล ก, กธรรมใครตาหนิหรือใครมองเราในทางลบ ก, ก็เป็นทุกข์ใครชื่นชมก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจในแบบนี้ก็ยังเรียกว่ายังตกเป็นทาสของโล ก, กธรรมได้ง่ายแตที่จริงก็ยังแสดงว่ายังเป็น ตกเป็นทางอัตราตัวตนซึ่งยากที่ทำให้เราเป็นอิสระได้